เรื่องการลงอุกเขปนิยกรรมที่ไม่ชอบทมอีกเจ็ดกรณี398ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุมีอาบัติที่พึงเห็นสงพิษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์พิษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัติแล้ว เห็นอาบัต้นั้นไหมภิสษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขอรับผมเห็นสงยังขืนลงอุกเขปเนิยกรรมภิสษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิสษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิสษุมีอาบัตที่พึงทาคืน สงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัตแล้วจงทำคืนอาบัตนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขอรับผมจะทำคืนสงยังขืนลงอุกเขปณยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่ทำคืนอาบัตชื่อว่า กรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุมีทิฏฐิบาปที่พึงสลักสงภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายขอรับผมจะสละสงยังขืนลงอุกเขปนียกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุมีอาบัติที่พึงเห็นมีอาบัติที่พึงทำคืนละ มีอาบัติที่พึงเห็นมีทิฏฐิบาปที่พึงสละละมีอาบัติ ท, ท, ที่พึงทําคืนมีทิฏฐิบาปที่พึงสละละมีอาบัติที่พึงเห็นมีอาบัติที่พึงทําคืนมีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทดภิกษุนั้นว่า ท่านท่านต้องอาบัตแล้วเห็นอาบัตนั้นไหมจงทำคืนอาบัตนั้นท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขอรับผมเห็นผมจะทำคืนผมจะสละทิฏฐิบาปสงยังขืนลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้น เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเพราะไม่ทำคืนอาบัติหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรม